สารัตติโนเตสารังนาถิขัตชันติมิจฉาสังคัปปโคจราสารัญจสาราตโตยัตถวะสารัญจาราสารโตเ ต, ตสารังอาถิขัดชันติสัมมาสังคัปปโคจราดีณโอกาสบันนีอ้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่อง แกนแท้ของพระศาสนาให้ท่านสาธุชนได้สดับรับฟังสืบต่อไปท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันอาทิตย์ท่านผู้มีกุศลกิจเป็นบนุญต่างก็มุ่งหน้าไปสู่วัดวารามในสถานที่ที่มีการเทศเช่นโบสถ์พระแก้วหรือวัดมหาธาตุเทศประจําในวันอาทิตย์แม้ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็มี ท่านโพหวังบุญหวังกุศลอาจจะเปิดวิทยุฟังทิบาลก็ได้อาจจะไปหาฟังตามวัดวาอารามที่มีการเทศก็ได้วัดวัดธาตุ้องมีการแสดงธรรมะในวันอาทิตย์พายม์นั่งกรรมฐ า, านเดินจงกรมตลอดไปแต่ยิ่งวันพระก็ยิ่งจัดให้มากเช้าก็มีการเทศในโบสถ์ที่ศาลาที่ธรรมวิจัยที่โรงเรียนสามกาันใหญ่ พร้อมกันเพราะคนมากในโบสถ์ก็เต็มระเบียงโบสถ์ก็เต็มโรงเรียนก็เต็มทางใจก็เต็มแต่อัดยัดเยียดกันต้องขยายไปแล้วก็นอกจากนั้นตอนบ่ายโมงก็มีเทศบ่ายสองโมงก็มีเทศปุดเช้าวิสัชนาบ่ายสามโมงก็นั่งกรรมฐานบ่ายสี่โมงก็มีเทศทั้งคืนก็ยังมีอีกวัดมาที่วัดมาธาตุในโบสถ์ ส่วนในวิหารบ่ายโมงก็เดินโยงกรมนั่งกรรมฐานกันที่โรงเรียนสร้างใหม่ทันปรคูป ร, รัพพนมสอนประจำในวิหารพระเมืองคำสอนประจำก็เดินโยงกรมตั้งแต่บ่ายโมงไปถ้ามีใจก็มีเพลงอีกสอนอีกเลือกฟังได้ตามปัาศัยอันนี้เรียกว่าผู้สนใจธรรมะก็กไปหาธรรมะเมื่อไม่ไปปฏิบัติก็มีโอกาสทาได้แต่โดยมากหายาก เพระที่บ้านมันมีปัญหาหลายประการไหนจะลูกไหนจะล้านไหนจะบ้าน่องเดอนชานโฮตัวเองเห็นสิ่งไหนรบกรังก็ต้องคิดจะแก้ไขปรับปรุงต่างๆนานาจึงหาโอกาสได้ยากต้องปลีกตัวไปสู่วัดป่ารางอะไรดีแต่ถ้าไปไม่ได้ก็ที่บ้านก่อน <c oughs> แม้ฟังทางวิทยุสิ่นเทศปุตรชาวิสัจนากด็ดีแต่วันนี้จะเทศเดี่ยวเทศเรื่องแก่นแท้ของพระศาสนา ทันสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายปัญหาก็มีโยวาแก่นแท้ของประาสนานั่นคืออะไรเอาอะไรมาเป็นแก่นแท้ในที่นี้ถ้าว่าโดยย่อๆแก่นแท้ของประาสนาก็คือวิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสนั่นเองอืมเพือจะเอานิพพานก็ถูกต้องในพระตไตรปิฎกพระพุทธเจ้าแสดงถึงแก่นไวม้มากดังนั้นเพื่อหาติโยมได้ความรู้ว่าจะเอา แก่นแท้เอาแก่นธรรมดาจนถึงแก่นแท้เป็นขั้นเป็นขั้นไปมาที่บายให้ฟังตามพระพุทธภาสิททีได้ยกขึ้นวนี้ปรากฏถึงเรื่องสองสหายคือโมคลาสาลิปุตเมื่อครั้งเป็นโกริตมานพและอุปติสมานพทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันถ้าไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สนชัย เรียนลัที่สนใจได้จบแล้วก็เห็นว่ายังไม่ใช่หนทางที่พ้นทุกข์จึงพากันสแสวงหาหนทางพ้นทุกข์คือโมกะธรรมนัดแนะกันไว้ว่าไปคนละทางถ้าใครพบธรรมะก่อนกันให้มาบอกกันนะอัศจริพระโกอุปติสมานพอุปติสมานพไม่ใช่พระไในไปพบพอัศจิมีจิริยาสงบเรียบร้อย ก็ติดตามไปจนก็ได้ฟังธรรมะเมื่อฟังธรรมะได้ดวงตาเห็นธรรมคือสาเร็จเป็นพระโสดาบันก็รีบกลับไปบอกโกริตตะผู้เป็นเพื่อนตอนนั้นก็ได้สาเร็จแล้วพอกันไปหาอาจารย์สมชัยกาบเรียนท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วพวกกระผมก็จ้องไปหาพระพุทธเจ้าขอเชิญอาจารย์ไปด้วยอาจารย์บอกเอ เธอทั้งสองคนในโลกนี่คนฉลาดมากหรือคนโง่มากลูกสิษย์ก็ตอว่าคนโง่มากเออคนโง่จะมาหาเราคนฉลาดไปหาผู้เดชเจ้าพวกเธอไปเถอะทั้งสองก็คันว่าหาพร้คุณเดเจ้าจนเออทั้งได้บวชภาษารีบวชโมกคนาบวชแล้วกว็เจริญกรรมฐานอยู่เจ็ดวันก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ภาษารีบตรบวชแล้วเจริญอยู่สิบห้าวันก็ได้เป็นพระอรหันต์ต่อมาก็ได้เป็นสาวกข้างซ้ายข้างขวาในระหว่างที่ กลับมากราบทูลพระพุทธเจ้านั้นก็เล่าเรื่องถึงเรื่องอาจารย์ให้ฟังว่าอาจารย์ไม่มาพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพิทเขวสัญชโชอัตโนโรโลก่อนภิกษุทั้งหลายสนชัยนั้นในยึดถือสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารว่าเป็นแก่นสารเพราะความที่ตนเป็นผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิด แล sí ้วก็ยึดถือสิ่งที่เป็นแก่นสารว่าไม่เป็นแก่นสารเพราะความที่ตนเป็นมิถาทิตติคือเห็นผิดตมเหพณะส่วนว่าเธอทั้งสองรู้สิ่งที่เป็นแก่นสารโดยความเป็นแก่นสารรู้สิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารโดยความไม่เป็นแก่นสารเพราะความที่ตนเป็นบัณฑิตจึงได้ภากรณะสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารมานยึดถือเอาแต่สิ่งที่เป็นแก่นสารเท่านั้นแล้วจึงได้ตรัสว่า อส า, าเรสาระมะัติโนเป็นต้นแปลเป็นใจความว่าคนทั้งหลายมีความดำริคิดเป็นโคจรยอมยึดถือสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารว่าเป็นแก่นสารยึดถือสิ่งที่เป็นแก่นสารว่าไม่เป็นแก่นสารส่วนบุคคลผู้ที่มีความดำริ ชอบเป็นโคโจรทราบสิ่งที่เป็นแก่นสารโดยความเป็นแก่นสารทราบสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารโดยความไม่เป็นแก่นสารแล้วจึงจะบรรลุธรรมะที่เป็นแก่นสารได้ดังนี้ <c oughs> เมื่อเราจับไปความตามนี้แล้วก็จะได้ข้อคิดหลายประกาศว่าธรรมะที่เป็นแก่นสารนั้น <c oughs> ในที่นี้ได้แก่ สัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบหนึ่งพระธรรมเทศนาอันเป็นโอปนิสัยแก่สัมมาทิฏฐินั้นหนึ่งนี่ท่านชื่อว่าสาระคือแก่นในที่นี้มีแก่นอะไรแก่นแรกนะเพื่คยโยมญาติโยมได้คงรู้ว่าแก่นแท้คืออะไรจะเอาไวท้ทีหลังเอาแก่นต่างๆมาประมวลให้ฟังเสก่อนว่าแก่นมันมีเยอะแต่ว่าแก่นแท้น่ะคืออะไรนี่ก็แท้เหมือนกันแต่แค่คนละอยา่างสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบนี่ถือว่าเป็นแก่นแท้อันหนึง่ง แล้วพัทธมาเทศนาที่เป็นอุมรไส้ปัจจัยแกสัมมาทิฏฐินั้นนี่ก็ชื่อว่าเป็นแกนแทชื่อว่าสาระที่นี้ปัญหามีว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นถูกนี้นะ่ะเห็นอย่างไรจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิในที่นี้จํากัดสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบสัมมาทิฏฐิมีถึงหอย่างแต่ในที่นี้จํากัดเอาว่าสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบนี่เป็นความเห็นถูกถือว่าเป็นแกนแท้ ในส่วนเบื้งต้นสองกับพัท ธ, ธรรมเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแก่สามะทิติอันนั้นหมายความเทศก็อยู่ในขอบเขตอย่างนี้ทีนี้กันแท้สิบอย่างเนี้ยทีบรรกาววันในทีนี้นะ่ะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบหน้าสามร้อยสี่สิบหกวันทัดที่สิบสองเป็นต้นเพราะผู้ที่มีความเห็นว่าอัตถิทินนัง ทานที่ให้แล้วมีผลนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าตรงกันข้ามเป็นวิชาทิฏฐิอัตถิยิทังทานที่เขาของที่เขาบูชาแล้วมีผลอัตถิหุดตังของที่เขาบวงสรวงเส้นสวนที่เขาบวงสวงหรือเส้นสวงแล้วมีผลอัตถิสุกตะทุกตะนังพลานังกรรมไววิปากโผลผลของกรรมหรือวิบากของกรรมที่ เป็นผลของกรรมดีกรรมชั่วเรียกว่าผลกรรมดีกรรมชั่วผลของการทําดีทําชั่วนี้มีอยู่นี้ก็เป็นสมมาทิฏฐิเป็นความเห็นผูกเป็นแกน่นอัติอยังโลกโลกนี้มีนี่ก็เป็นแก่นอัติปโรโลกโลกหน้ามีนี่ก็เป็นแ ก, น ก, กน่ น, ก น, กนอัติมาตาแม่มีอัติปิตาพ่อมีอัติสตาอุป ป, ปัติการสับทั้งหลายที่เกิดเป็นเทวดามี อัตีโลเกสมณะระมาสมัคขะกตาสัมมาปฏิปันาสมมะณพรามทั้งหลายที่ท่านพร้อมเพรียงกันปฏิบัติดีบริภพภอบถึงมรรคผลนิพพานมีอยู่ในโลกนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิทธิ์ท่านก็ถือว่าเป็นสาระสาระเหล่านี้จะเกิดต้องมีความดำริชอบถ้าดำริผิดเกิดไม่ได้ถ้าดำริชอบก็เป็นสัมมาทิฏฐิดำริผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐินี้ก็เป็นแก่นนะ นี่แก่นในที่นี้ตันหมายเ อ, อนี้อย่างหนึ่งและการแสดงธรรมะก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เรื่องทานกุศลศีลกุศลเป็นของมีผลจริงก็ชื่อว่าเป็นแก่นเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสาระในภาษาศาสนาเหมือนกันอันนี้หมวดหนึ่งและในพัะไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสองหน้าที่เก้าสิบเอ็ดบรรทัดที่สิบพระพุทธองค์ทรงแสดงแก่นคือสาระของคนไว เคนเราจะมีเก่มันจะต้องมีคุณธรรมถึงห้าข้อเนึ่งมีศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในปรตันตนาตยเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีบุญบาปมีทำดีได้ดูทำชั่วได้ชั่วเียรียกว่ากรร ม, มสกุกตาศรัทธาเชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวสองมีศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าศีลปดศีลสิบสอง้อยเจ็ดสามมีสุกษคือการสดับรับังธรรมะ ฟังประยัตปฏิบัติเวรเวทเหมือนเราฟังอยู่อย่างนี้สี่มีจาระเสียสละบริจาคสร้างบุญสร้างคุณสนาผลกำไรแห่งชีวิตห้ามีปัญญารู้บารู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้ทางเข็ดสายและทางต่ำํำดาเนินชีวิตไปในทางสูงจงกิตใจของตอนในส่งสูงขึ้นไปตามลําดับคนอย่างนี้จะเป็นชายก็ดางหญิงก็่างท่านกล่าวว่าสาราทายีผู้ถือเอาแต่แก่น วราทายีพูดถือเอาแต่สิ่งที่ประเสริฐตาธิโสเป็นคนหนักแน่นมั่นคงสัพปริโสเป็นสัตบุรุษวิจักขโนเป็นคนมีปัญญาอาติยติสารมิเทวะโนถือเอาแต่แก่นเพื่อตัวเองแทที่นี่นี่ก็เป็นแก่นหนึ่งการทั้งหลายก็จะได้แก่นถึงหลายอย่างแล้วสมาทิฏฐิมีวัตถุสิทธิ์ก็เป็นแก่นและก็สัทธาศินสุตตะจาขัปัญญาเขาเป็นแก่น แต่คนมีแก่นอย่างนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นผู้ถือเอาแต่แก่นถือเอาแต่ของประเสริฐเป็นคนคงที่เป็นคนหนักแน่นมั่นคงเป็นสัตว์ประรเป็นคนมีปัญญาเรียกว่ามาดีไปดีแท้และนอกจากนี้ในพระไตรปิฎกเล่มยี่ยี่สองหน้าร้อยห้าสิบสองบรรทัดทิศเบ็ดพระองค์ก็แสดงไว้อีกว่าแก่นก็มีห้าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติอยาก น, นะอันนี้เอาวิมุตตินะในเกณฑ์แท้นะศีล สมาธิปัญญาหมายถึงผู้ที่จเจริญสมวิปัสฉณากรรมฐานมีปัญญาศีนสมาธิปัญญาหมายถึงสีนสมาธิปัญญาในมัคแปดอันต้นต้นตนนหมายถึงศีนเนาะมัคแต่หมวดนี้หมายถึงศีนสมาธิปัญญาในมัค8เมื่อจเจริญศีนสมาธิปัญญาในมัคแปดก็คือเจริญวิปัสฉนาแล้วจึงจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาคือวิปัจฉญานขึ้นมาจึงจะพบดมุรดีมุดคือมัค โซดาปฏิมักสกิตาคามีมักนาคารมักรหัตมักนี้แหละเป็นแก่นแท้ของศาสนาถึงเนีะยถึงแก่นแท้เรียกวมีมุมดวิมุดติสาระเมื่อถึงวิมุดแล้วก็วิมุตติยานอันนี้หมายถึงผลวิมุติก็มีนิพพานเปนรอะลมกิเลสขาดตรงนี้ถึงวิมุติครั้งแรกกิเลสตายไปห้าถึงวิมุดครั้งที่สองกิเลสตายไปไม่ตายอ่อนกําลังถึงวิมุดครั้งที่สามกิเลสตายไปสอง ถึงมีมุดครั้งที่4ีิเจเลตายหมดไม่มีเหลือส่วนมีมุดติยานหมายถึงผลโสดาปฏิผลสกิทาคายผล อ, อนาคายผล อ, อรหัตผลนี่ก็แก่นแท้ของศาสนาในนี้ในวัปจดกเล่มที่สิบเก้าหน้าสามร้อยห้าสามร้อยหกแสดงว่ายอดคือแก่นยอดหมายถึงปัญญาบัรยินเสียงหมายถึงปัญญา เข็นในโพธิงเกตถือปัญญานั่นแหละสําคัญที่สุดเป็นแก่ถ้าไม่มีปัญญากิ่งขาดไม่ได้ถึงมีมดไม่ได้เพราะฉะนั้นในทีน่นี้ถ้าหมายเอาปัญญาอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวะโกสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, า, าจะต้องมีปัญญามีหมายปัญญินทะยังในทีน่นี้หมายอันนี้นะนี่เพื่อจะให้ญาติโยมได้ทราบว่าคําว่าแก่นแก่นแท้ของภาษาศาสนาตั้งชื่อว่าอย่างนี้ แล้วก็เอาแก่นมาเป็นอย่างๆให้ฟังแก่นนี่มั น, ปนแปลว่าแข็งนะโยมแข็งแกรง่งทนทานทั้งทนทั้งทานทั้งมัน่นทั้งคงทั้งท้าทั้งวอนท้าวรนไม่เหลวไม่ไหลเนื้อแท้เป็นหลักเป็นฐานเป็นประธานถ้าเรียกว่าแกน่นแล้วก็จะได้พบมาเป็นขั้นๆเมื่องแรกได้ถึงสิบเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิทธิท่านกกล่าวว่าอายังสารโรนี้คือแกน การแสดงธรรมะที่เป็นหนุปภิยใสายปัจจัยแก่โอ้สมาทิสสี่สิบนั้นนี้ก็เป็นแก่นในสองแก่นแล้วขั้นมาถึงปัจจัยปิดกเล่มที่22นี้มีห้าแก่นศรัทธาสาระแก่นคือศรัทธาสีลสาระแก่นคือศีลสุตตสาระแก่นคือการสัตปรดับฟังธรรมะจาคสาระแก่นคือการเสียสละบริจาคทำบุญทำกุศล ปัญญาสาระแก่นคือปัญญารู้จักประโยชน์หลบนี้หลกหน้ารู้จักบาปุนคุณโทษและกละสิ่งที่เป็นโทษทำสิ่งที่เป็นคนนี้ก็เป็นแก่นถ้าผู้ใดมีแก่นอย่างนี้ท่านเรียกว่าถือเอาแต่แก่นถือเอาแต่ของดีๆเป็นนักปราศเป็นคนฉลาดเป็นสัตบรุรุษทีนี้มาถึงพระไตรปิฎกเล่มที่ยีิบสองหน้าร้อยห้าสิบสองพระว่าถึงแก่นอีกอันนี้แก่นเลึกเข้าไปแล้ว ศีลสมาธิปัญญาบีมุตบีมุติญาถึงห้าแก่นอันนี้ทั้งที่ว่าธรรมขันหมวดของธรรมะที่เป็นแก่นแท้ศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราเจริญมักแ8ดตัวนี้หมายถึงมักแปดเลยนะศีลสมาธิปัญญาในมักแปดเมื่อเจริญศีลสมาธิปัญญาศีลก็ยึดรูปนามสมาธิก็ยึดรูปนามปัญญาก็ยึดรูปนามเป็นอารมณ์นี่เป็นศีลในมัก เมื่อยึดรูปนามพิจารณาขันธ์ห้าเป็นอารมณ์ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาสามารถจะแยกโครงแยกนามออกจากกันได้นี่เรียกว่าอเป็นปัญญาขันเดิงสามารถจะเห็นเหตุและผลของรูปเป็นนามเห็นรูปนามเป็นอันิจยังทุกขังนักตาเห็นรูปนามเกิดกับเห็นเฉพาะกำดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวเห็นรูปนามเป็นของหน้ากลัวเห็นทุกเห็นโทษของรูปเป็นนาม เกิดความเบื่อหน่ายในรูปน้ำใจกระวนกระวายอยากออกอย่างนี้อยากหลุดอยากพ้นจากกูปบในน้ำจิตใจเข้มแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริงต่อไปก็วางเฉยดูความเกิดดับของรูปในน้ำอยู่ต่อไปก็จะเห็นรูปน้ำเกิดดับชัดและเห็นอริยสัจสี่ชัดเก้าอร์ซต่อไปก็ทิ้งรูปและน้ำย็ดนิพพานเป็นอารมณ์หนึ่งขณะจิตต่อไปจึงจะถึงวิมุต นี่ถึงวิมุตต์ตรงนี้นี่คือแก่นแท้ของระวาสนาเรียกว่าวิมุตต์ได้แก่มัรคขยานขยานที่สิบสีและกิเลสมันขาดตรงนี้จึงได้ช่ววิมุตต์ลดพ้นตรงนี้ส่วนวิมุตติยานนั้นรู้ว่าดูดพ้นแล้วมันเป็นผลผลระานนี่มีนิพพานเป็นอารมณ์วิมุตต์ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ว่าผลรยานไม่ได้ตัดกิเลสอุปมาเหมือนอย่างนี้วิมุตต์น่ะตัดกิเลสในแก่มัรคขยานเหมือนกันกับ ไฟไหม้เสาเรือนโยมโยมก็เอาน้ามาดับไฟมันก็มอดแล้วดับแล้วแต่ออุ่นยังอยู่ขายน้าถังที่สองโยมดับลงไปอีกเย็นเช็เนี่แหละผลรยานเหมือนกับน้าขันที่สองวิมุตเหมือนกับน้าขันแรกหรือน้าถังแรกมันก็ดับแล้วแต่ว่าออุ่นยังอยู่เมื่อเอาน้ำถังที่สองมาเทราดมันเย็นนี่ยนั่นตัววิมุติยานเหมือนอย่างนั้น อ้าวนี่ได้แล้วนะได้แก่นเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วถึงแล้วนะถึงแก่นแท้แล้วนะแต่ว่าเพื่อให้ได้ความรู้อาตมาก็เอาม า, า ม, มีแก่นอยู่แท้เนี่ยเอามาเท่าที่จะค้นด้ในพระไตรปิฎกทีนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเก้าพระองค์ก็เอาปัญญาถูกต้องวิมุตตินี่แหละเรียกว่ามรรคยานนี้คือตัวปัญญาแท้ๆที่ตัดกยี่ยงตัดตรงนี้ตัดตรงปัญญีสีตรงมรรคยานี่แหละปัญญาก็ดีปัญญีสีก็ดีแล้วก็คือ ปัญญาก็ได้แก่ยานมัคคยาส น, นั่นเองถูกต้องแลนะ้วตัวนี้หมายเอาเฉพาะอันเดียวเอายอดเลยในที่นี้หมายเอายอดอยู่พระองค์ตัดไว้ในพระไตปิฎกเล่มสิบเก้านี้ว่าคือเนินไม่เอาที่มันยอดแท้ๆก็คือปัญญินเซปัญญินตรียังเอาอย่างเดียวที่มันเป็นตัวยอดจริงๆหัวนหน้าใหญ่จริงๆคือตัวปัญญาถ้ามีปัญญาถึงขั้นนี้แล้วก็หมายความแน่นอนแล้วกิเลส ข, ขาดดูไม่ได้แล้วคือมด สำคัญตรงนี้ทีนี้พอไปถึงธรรมบทภาคหนึ่งหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งวันทัตที่เจ็ดที่แปด 8. คำว่าสาระคือแก่นนี้ท่านแสดงไว้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงแก่นแท้มีหกเลยะหนึ่งศีลสองสมาธิสามปัญญาสี่มุตห้ามิมุตติยานัทสนะหกปรมาถสารังนิพพานหมายถึงนิพพานแน่ ในที่นี้ท่านแสดงไว้เป็นหกแกน่นแล้วนะศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินี่ว่ามาแล้วที่มีวิมุตติญาณัศนะอันนี้ก็คือผลนั่นเองวิมุตต์ก็คือมรรวิมุตติญาณก็คือผลดังพิก่ารมาแล้วแต่นี่มีเลยไปอีกปรมัาทสารังนิพพานว่าท่านว่าวลีมาเลยนิพพานนะั่นแหละเป็นแก่นแท้เนี่ยปรมัาทสารังนิพพาน พระนิพพานเป็นแก่นแท้ปรมัาถะแค่แท้สารังเป็นแก่นนิพพานนี่เป็นแก่นแท้ของศาสนานี่คือแก่นแท้นะวิมุตติก็เป็นแก่นแท้แต่ว่าสูงที่สุดก็ท่านอานิพพานในที่นี้หมายเอาปรมัาถะสารังนิพพานนั่งอนิพพานเป็นแก่นแท้ของศาสนาอ่านี่เราก็ได้ควมรู้เพิ่มขึน ถึงห้าเรนโยมนะห้าหมวดใหญ่ๆ่เลยอ่ทีนี้ลองไปถึงปฏิสัมพิธามักที่ปไตยปิดอกเล่มที่สามสิบเอ็ดหน้าหกสิบเก้าวันทัศตีสิบเจ็ดท่านแสดงถึงว่าแก่นของศาสน า, า, าเป็นขั้นเป็นขั้นไปเรียกว่าแก่นว่าถึงแก่นของศาสน า, า, ามีถึงสิบหกแก่นทีนี้ไปถึงวิสุทธิมาคภาคสามหน้าสองร้อยห้าวันทัศตีสิบสามก็มีสิบหกแก่นน เอาละทีนี้ก็จะว่าว่าถึงแก่น16ในมันคืออะไรอันนี้ว่าถึงแก่นเล็กแก่นน้อยเหมือนเปลือกเหมือนกระพี้ของต้นไม้อันเนี้ยเมื่อกี้นี้เอาแต่แก่นแท้ๆที่ว่านิพพานหรืวอวิมุตต์น่ะทีนี้แตกในที่นี้หมายเอาทั้งเปลือกทั้งกระพี้ไปด้วยกันทั้งสเก็ดหมดเราจนกระทั่งถึงแก่นสองหมดนี่นะอะไรกันแน่นแก่น16มันคือะไรว่าถึงอะแก่นทำแล้วทีเนี้ย แกะนเล็กแก่นน้อยตั้งแต่สะเก็ดปลายจนกระทั่งถึงแก่นใหญ่หมายถึงผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วมันจะพบแก่นขึ้นไปโดยลำดับถึง16แก่นนี่เรียกว่าแก่นธรรมแก่นที่หนึ่งเรียกว่านามะรูปะปริเทธญาณมีปัญญาแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เคยเห็นคนไม่เป็นคน แต่ไม่ใช่เห็นคนเป็นนกหนูปูปีกอะไรทั้งสิ้นเห็นคนสักแต่ว่ารูปกับน้ำนี่คือปรมติต์ไม่ใช่สัตว์และก็ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสัตว์ก็ไม่ใช่บุคคลก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาก็ไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรเป็นรูปกับน้ำเรียกว่าสักแต่ว่ารูปกับน้านี่เป็นตัวปรมตาท่ตท์ส่วนสมมติสัจจะอินโดยสมมติ ที่เขาตั้งชื่อเราเป็นพระกอพระขอเนนกอเนขอนายกอนาย ข, ข, ข, ขอนั้นยกไว้คนละส่วนอย่าเอามาปะปนกัดอันนั้นเป็นโลกโลกบัญญัติสมมุติว่าโยมเนี่ยแหละชื่อนางกอเรียนรู้ธรรมะว่าโอ้มีแต่ลูกกับนามไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้ากลับไปถึงบ้านลูกเรียกแม่ใจแม่เออฉันไม่ใช่แม่เรามีจะรูป ก, กับน้ำไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจให้ถูก คือเขาสมมุติว่าเป็นแม่นั่นจริงโดยสมมุติเขาเรียกว่าสมมติที่จะจริงโดยสมมุติขณะนี้เขาสมมุติเราเป็นแม่เราก็ต้องเป็นแต่จริงอันนี้ไม่ใช่จริงแท้ๆมันจริงหลอกหอกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะเพราะอะไรล่ะเพราะเพราะมันยังไม่แน่ชื่อเราเปลี่ยนได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่ใช่จริงแท้แต่ก็จริงอยู่แต่ยังไม่ใช่จริงแท้เพราะจริงเนี่ยมันเปลี่ยนได้ ทั้งที่เขาเรียกว่าเราแม่เราก็ทราบอันที่จริงแม่นี่ก็มีแต่รูปกับนามนะรู้ไว้ในใจอันนั้นเราเรียกเขาว่าลูกก็โชูกที่จริงก็คือรูปกับนามรู้ไว้ในใจเออแม่มาแล้วจ้าแม่เออแม่มาแล้วก็ต้องรับก็มาเออนี่เป็นลูกก็รับเป็รูกแต่ในใจอีกอันหนึ่งเรารู้ซ้อนก็ลงไปถึงเขาจะเรียกว่าเราเป็นแม่ที่จริงก็มีแต่รูปกับนาม ถึงเราจะเรียกเขาว่าลูกอันที่จริงก็มีแต่รูป ก, กับนามนี้เป็นปรมัตาทสัจจะจริงโดยปรมัตาจริงโดยสมมุติกับปรมตรอาจุริกันนะ ไ, ม, ไม่ได้แยกกัลอกแต่แยกตัวสภาวะเท่านั้นเหมือนอย่างดอกไม้ดอกข า, ขาวๆเนี่ยที่โยมมาบูชาพระถ้าเอ า, เ ข, าขาวๆน่ะเป็นปรมาจเอาเฉพาะกลิ่นนั่นน่ะนั่นแหละเอเอาดอกข า, ขาวๆเราเป็นบัญญัติแต่ว่ากลิ่นหอมนั่นแหะกลิ่นนั่นแหละเป็นปรมัาจนะ ถ้าหอมเราก็เป็นบัญญัติกลิ่นน่ะเป็นปรมัาพอหอมเข้าไปแล้วเป็นบัญญัติแล้วเพราะนอาศายอยู่ด้วยกันไกลๆอย่างนี้อ่านันนี้เรียกว่าแยกรูปแยกนามให้เห็นคนไม่เป็นคนและเห็นเป็นสัตว์แต่ว่ารูปกับนามเท่านั้นพอหอมเข้าไปแล้วเป็นบัญญัติแล้วเพราะนอาศายอยู่ด้วยกันไกลๆอย่างนี้อ่านันนี้เรียกว่าแยกรูปแยกนามให้เห็นคนไม่เป็นคนและเห็นเป็นสัตว์แต่ว่ารูปกับนามเท่านั้น ทีนี้ข้อที่สองปัจจัยปริกายานนี่เป็นแกนที่สองรู้เหตุและผลของรูปและนามหมายความว่าเมื่อมีรูปกับนามแล้วคือกายกับใจสองอันนี้จะต้องเป็นเหตุเป็นผลของกันเลกันบางครั้งรูปเป็นเหตุและก็นามเป็นผลบางครั้งนามเป็นเหตุรูปเป็นผลสิ่งใดเกิดก่อนสิ่งนั้นเป็นเหตุสิ่งใดเกิดทีหลังสิ่งนั้นเป็นผลเช่นผลกล้วย ผลมะพร้าวผลมะนาวมะนาวขีผลกล้วยขีผลหรือกล้วยขีรูปอันนี้มันเกิดทีหลังตน้นเราเรียกว่าผลสิ่งไหนเกิดก่อนสิ่งนั้นเป็นเหตุทีนี้รูปกับนาเหมือนกันบางครั้งรูปเป็นเหตุเพราะเกิดก่อนเช่นยังไม่ได้ว่าขวาย่างเลยมันไปเ ส, สียก่อนเนี้ยส้นกระดกเสก่อนเนี้ยอย่างนี้รูปเกิดก่อนเขาเรียกว่ารูปเป็นเหตุพองหนอยังไม่ได้ว่าพองในท้องมนนนย์ไปเสีก่อนเนี้ยอันนี้รูปเกิดก่อนใจตามทีหลัง อย่างนี้เขาเรียกว่ารูปเป็นเหตุนามเป็นผลที่นี้บางครั้งใจคอย จ, กจะกำหนดท้องจะงน่นขึ้นอย่างนี้นามมาก่อนเรียกว่านามเป็นเหตุรูปเป็นผลเนี่ยทุกคนทุกวันทุกคืนมันมีรูปมีนามมีเหตุมีผลอู่เราอยากจะไปทำงานใจที่อยากจะไปทางานนี้เป็นตัวเหตุตัวเอาก็ลุกขึ้นไปขี่รถขับรถไปทำการทางานนี่เป็นผลแล้วอยากจะทานข้าวนี่นามเป็นเหตุ เมื่อก็เปิดข้าวเข้าปากในรูปเป็นฝันมันมีเหตุมีมีเหตุมีผลมีรูปมีน้ำยุ่งว่าอย่างนี้ในตัวเราเนี้ยใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเราเรียนรู้รูปนามคือรู้ข้อที่จริงในชีวิตประจําวันเท่านั้นให้ทราบตามความเป็นจริงของเขาเมื่อทราบตามคนเป็นจริงแล้วเป็นอย่างไรอ๋อถึงข่าวโศกเขาก็ไม่โศกถึงข่าวทุกข์มันก็ไม่ทุกข์เกินขอบเขตมันโปรงตอกนะเนี่ย ถ้าให้ถับคนไม่ได้พิจรารณาม่ได้เห็นอย่างนี้ทุกข์ก็ทุกข์มากเหลือเกินโศกก็โศกมากจนถึงข้าตัวตายกินยาตายสารพัดที่จะเป็นได้ขากันตายเสียอกเสียใจนิดหน่อยก็เอาแล้วนี่อย่างนี้แหละถ้าคนตรงตกเสซะแล้วไม่คิดไม่ทำแล้วเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเมื่อมีรูปมีนามอยู่ที่ไหนหลักอนิจจังทุกขังตาเขาจะต้องมีอย่อย่างนี้ตรงตกซะอันนี้เขาเรียกว่าต่างกันกับผู้ที่ไม่ได้ตรงนะอัศตัวตัวปิโคผิกขเวเนี่ย ผูที่ได้พิจารณาเห็นแล้วกับผู้ไม่เห็นต่างกาันอาทีนี้ต่อไปถึงขั้นที่สามขั้นที่สามนี่เป็นแก่นทำขั้นที่สามเรียกว่าสัมมสาสัญญาแก่นขั้นนี้พิจารณาสังขารร่างกายรูปนามที่เห็นมาแล้วเมื่อกี้นี้ให้มันเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาการพิจารณาขั้นนี้แบ่งเป็นหมวดหมวดกาปะนึกถึงร่างกายทั้งหมดว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังนัตตา จะเป็นใครก็ตามร่างกายทั้งหมดในตัวเราของคนอื่นก็เหมือนกันอย่างนี้นี่ก็ใช่หรือนึกถึงการไกลๆที่เราเคยเป็นเด็กไปวิ่งเล่นอยู่ที่ไหนที่ไหนน้นเป็นอดีตเสร็จไปหมดแล้วตายไปหมดแล้วเอากลับขึ้นไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นอั น, นิดอย่างทุกข์ของห น, านา้าตาเนิกถึงความสืบต่อของสังขารร่างกายของวันเดินปิดเมื่อวานนี้อากาศมันร้อนวันนี้อากาศเย็น ร้อนหายไฟเย็นเกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยอากาศร้อนเดี๋ยวนี้เย็นอะอย่างนี้แหละมันเปลี่ยนกันไปยุเมื่อเช้าเนี่จิตใจก็เป็นหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้เนื่องถึงความสืกต่อและมันเปลี่ยนแปลงไปของดินขออากาศของสังขารร่างกายของมนุษย์ทำเทียบนอกเข้มหาในเทียบในออกไปหานอกอย่างนี้ก็ใช่เป็นลักษณะของแก่นธรรมเหมือนกันนอกจากนี้พิจารณาทุกขณะลมหายใจเข้าออก ให้ใจเข้าให้ใจออกก็เป็นรูปเป็นนามเป็นในจังทุกครั้งหลักตาเข้าไม่ออกก็ตายออกไม่เข้าก็ตายเนี่ยอย่างนี้ก็ใช่ตลอดเป็นเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นอณิจังทุกขังลักตาอย่างนี้ก็ใช่นี้ก็เป็นแก่นแก่นที่สามพอถึงแก่นนี้จะต้องเกิดนิมิตเกิดอุปาิเลสทั้งหลายนั่งไปเห็นพระพุทธเจ้านั่งไปเห็นพระอ ร, ะ ห, รหันต์นั่งไปเห็น นร้องนั่งไปเห็นสวรรค์อะไรต่างๆคิดมันสร้างขึ้นมานี่อยู่ในกินตายาหลงทางตรงนี้อันนี้แก่นนี้จังก็เป็นแก่นแท้แต่ว่าแท้ไม่จริงมันเป็นแก่นที่สามแก่นธรรมในศาสนาอันนี้มันยังเป็นเปลือกยังเป็นกะพี้ยังไม่ไปเป็นแก่นแต่เราก็เรียกว่าแก่นเพราะมันดีกว่าธรรมดาแต่ว่ายังไม่แท้ยังอยู่ในเปลือกเลกะพี้พอถึงขั้นที่สี่นี่แก่นที่สี่แก่นธรรมละ ตาเพียกก็แก่นเล้อันนี้ยังเป็นเปลือกยังเป็นกร พ, พีนะแต่ว่าผู้ปฏิบัติ ถ, ถึงอันนี้ก็หาได้ยากจึงถือว่าเรียกสมมุติกว่าเป็นแก่นธรรมะขั้นการแก่นธรรมแต่จะเป็นธรรมขั้นโลกีหรือโลกุตระยกไปก่อนมาถึงขั้นที่สี่แก่นที่สี่เรียกว่าเห็นรูปเห็นนามมันเกิดดับชัดช่นนั่งกําหนดทางหูได้ยินนอยินนอยิน น, อ, น, นอเขาจะขาดบกให้เรารู้เลยนั่งกําหนดพองนอยกนอพองนอเมื่อใด ปัจจุบันดีเขาก็จะขาดวบให้เราเห็นเลยนี่แหละเรียกว่าเริ่มเข้าแล้วนะเริ่มเข้าเขตแข่งแท้แล้วในมาห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ยังไม่แท้ที่สุดมันยังมีแท้ในแท้ไปอีกนะแต่กว่าใสในใสอีกที่พระทันเทศนีมันเรียกว่าแท้ในแท้ยังมีต่อไปอีกอันนี้เรียกว่าเข้าเขตแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นนะมันก่อนน้นได้สิบห้าเอร์็นก่อนน้นได้สมเปรซ็ก่อนน้นได้หนึ่งเปอร์เซ็นถึงตรงนี้มันได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วด่วนแะน่นะ มันต้องเอาเทาะเรืเอเาทะกับพี่ออกไปแล้วเมื่อถึงตรงนี้สำคัญมากเราพุทธเจ้าจานทตรัสไว้ว่าถ้าผู้ใดเห็นอย่างนี้นะตายเสในวันนี้ดีกว่าคนไม่เห็นเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีพระบาลีว่าโยจะวัตสัตตังชีเวอปัสังอุทธยับ พ, พยังเอกหังชีวิ ต, ตังเสโยปัสสตูอุทธยัป พ, พยังจิงอยผู้ใดเห็นรูปเห็นนาเกิดดับอย่างนี้ ผูนั้นมีชีวิตอยู่ในวันเดียวตายซะยังดีกว่าคนผู้ไม่เห็นแต่เป็นอยู่ตั้งร้อยปีนี่นี่แหละสำคัญแล้วนะน้อยคนที่จะเห็นได้ไม่ใช่ง่ายแต่เห็นแล้วประเสริฐต่อไปก็เป็นแก่นที่ห้าเรียกว่าพังขยะแก่นนี้นะ่ะรู้สึกว่าตัวเบาบาอทีมือซ้อนกันหายฮีแล้วก็รู้สึกเฉพาะเห็นเฉพาะที่ดัก เห็นพองน้องสุดพองมันชัดสุดยุบมันชัดเหล่านี้เป็นตัวอย่างต่อไปถึงแก่นที่หกแก่นทรรมแกันที่หกพะ ย, ะยาบาทน่ากลัวรูปนามเรานี่ยทำไมเกิดมันดับตรงนี้โอไม่น่าอยากได้เลวมันน่ากลัวอืมแต่เดี๋ยวมันดับพบไปไปได้ดับพบไปโอ้โหมันเต็มไปด้วยทุกข์ไปโทษไม่เป็นของที่น่าอยากได้เลยแต่ก่อนเห็นเรามันชอบใจงวัวเมาแต่พอมาเห็นอย่างนี้ลรา ไม่มีสาระอะไรแล้วนี่แต่ก็จ้องอาศัยเขาอยู่ต่อไปถึงแก่นที่เกิดแก่นธรรมแก่นที่เกิดเขาเรียกว่าอาธินวนิญาณตอนนี้ทุกโทษมันเกิดหรือเกินในสกลละร่างกายเนี่ยมองเข้าไปตรงมุมไหนจุดไหนโอ้ไ ม, ไ ม, ไม่มีที่ดีเลยอะในร่างกายของคนเรามันเต็มไปด้วยกิตัวชินิชาติเต็มไปด้วยโรคเป็นรังของโรคโรคร้อยแปดพนปการมันก็อยู่นี่แหละ มีฟันปวดฟันมีตาปวดตามีขาเจ็บขามีท้องปวดท้องสารพัดที่เขาจะเกิดนั้นเต็มไปด้วยกองทุกข์ทั้งนั้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับจะทุกข์จะเบียดนิ้วจะคู่จะเบียดจะก้มจะเงยมันไม่แต่ทุกข์ทั้งนั้นหายใจเข้ามันก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์เกิดขึ้นตั้งยู ด, ดับไปทุกทุกกระเบียดนิ้วไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอ น, นแล้วไม่มีอะไรที่เป็นสาระจากฟังนี้แล้ว นี่ก็เป็นแขนที่เก็บต่อไปอีกถึงแขนที่แปดนิพพิทาญาคิดก็จะเบื่อแต่ก่อนในหิวสึกว่าอยากจะไม่เกิดเป็นมนุษย์ออกจากจะไปสวรรคนเลอบางทีเขาเป็นคนธรรมดาก็ไม่ค่ดีอยากจะยศถาบรศักดิ์อยากจะเป็นคนยิง่งคนนายอยากจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้า ค, คุณอยากจะได้ยศถาบรศักดิ์เป็นในคนในพันธุ์กันคิดวัาก็คิดแต่ก่อนแต่ก็มาถึงอย่างนี้เราเป็นอะไรก็ตามเถิดนั้นก็ ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีอะไรอีกทีรังย่างยืนแล้วเนาะนึกว่าเมืองมนุษย์ไม่ดีอยากจะไปสวรรค์สวรรค์มีรูปมีนามมันก็ต้องทุกข์อย่างนี้เนาะเมื่อไม่ไปสวรรค์ไปพรมโลกพรมโลกมีรูปมีนามก็ต้องทุกข์อย่างนี้อรมูปภพมัก็ต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเปลี่ยนต้องแปลต้องแก่ต้องไขกันอยู่เนาะจิตมันก็ปร่งไปมันก็นึกเบื่อเบื่อในกาลมาภพเบื่อในรูปภพเบื่อในอารมูปภพเบื่อในขันทั้งห้า เบื่อในตัวในตนนี่แหละว่าไม่มีชิ้นอะไรที่ดีแล้วเนา ะ, ะเมื่อเกิดนิพพินาคือเขาเบื่อใจมันก็เศร้าเมื่อใจเศร้าหงอยเหงาแห้งแล้งนั่นแหละกิเลสมันจึงจะจางไปอันนี้เบื่อนี้ด้วยอำนาจกิเลกกิเลสมันจะจางจะลดน้อยลงไปแล้วที่ตั้งของตัญหามันก็หายากมันก็ค่อยจืดค่อยจางลงไปในเพราะเมื่อเห็นอย่างนี้ เมื่อเห็นว่าไม่ดีเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษเห็นว่าอ่าเป็นของไม่น่าเอาและจิตใจมันคือจึงจะเบื่อที่เห็นว่าเป็นตัวตนเราเขามากก็จึงจะถอนไปในตัวสักการะทิฏฐิตาไปยีไปถึงแก่นที่ก้างจิตใจก็กระวนกระวายไม่เห็นมีอะไรดีนายก็อยากออกอยากหนีอยากหลุดอยากพ้นเมื่อไรยิร่งจึงอยากพจะกรูปจากนามจากขันธ์นนี้สักทีเนาะแต่จะทําอะไรก็ไม่ได้ ขดลุกขดนั่งก็วนก็วหวใจขั้นในร่างกายแต่ก็ยังปฏิบัติอยู่นี่เป็นแก่นขั้นที่ห้เก้าต่อไปถึงแก่นขั้นที่สิบเมื่อถึงแก่นนี้จะรู้สึกว่าเข้มแข็งมีอาการเหมือนเข็มแข็ ง, ขงเจ็บแผลแผลทน้ น, นทังนี่หนักตัางใจจริงสู้ตายเลยเมื่อถึงตรงนี้มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ได้ที่จะให้ได้ผลไม่ยอมท้อถอยแล้ว ต่อไปอีกจะถึงแก่นที่สิบเอ็ดเรียกว่าแก่นธรรมถึงแก่นนี้ใจสบายระความดีใจความเสียใจพมเบื่อใจไม่ฟุ้งซ่านไม่ราําคาญไปเรียบเรีย น, รนั่งเพลินเวทนาไม่กวนอุปมาเหมือนรถวิ่งในถนนดีๆหรือเครื่องบินที่ไปเรียบไม่มีมลสุเข้ามาเลยหเหมือนกับมันอยู่ลอยอยู่บนฟ้าเฉยๆหรือเหมือนกับอยู่เฉย เวลาเครื่องบินขึ้นสูงแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือ น, ม, นมันนิ่งนิ่งอยู่เฉยเฉยไม่เหมือนกับมันไปแต่สังเกตดวงดาวอะไรก็มีมีเครื่องวัดแต่คล้ายมันไม่ไปไม่มาเลยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันมาถึงตรงนี้เราจิตสบายพเพลินกําหนดพองน้อยอยู่เนาะกําหนดได้ง่ายสะดวกสบายไม่มีกวนก歪 ว, ว, วิทยาหนาก็ไม่ควร น, นี่สังขารุปกิดขยนันเป็นแก่นที่สิบเอ็ดแล้วต่อจากนั้นจึงถึงแก่นที่สิบสองเรียกว่า อนุโลมญาณหรือสัจจานุโลมิกญาณเมื่อถึงญาณ น, นี้อริยสัจสีจะเห็นชัดเช่นพองเนอเริ่มพองกันนี้แหละคือตัวสมุทยัยพอพองแล้วมันทนอยู่ไม่ได้พองมากเข้ามาเข้าอันนี้เป็นตัวทบมันดับลงไปดับลงไปตรงไหนตอนไหนพูดให้รู้ว่าดับลงไปนี่ตัวนี้เป็นมรอาการที่ทบ ก, กับสมุทยัยดับลงไปตัวนี้เป็นนิโรธ ทุกสมุดไทยรสมักพร้อมกันเหมือนดับไฟดับเทียนนะเทียนที่เราจุดไว้เนี่ยหนึ่งไส้สองขี้ผึ้งสามแสงสว่างสี่มืดสี่อันนี้พร้อมกันชั้นใดก็ดีอริยศสัตว์สี่ทำหน้าที่พร้อมกันนี่คือสัจจานโรมิกยร น, นี่เป็นแก่นที่สิบสองเมื่อถึงแก่นนี้แต่รับชัดร้อยเปอร์เซ็นอริยสัตว์เก้าสบเก้าเอร์ซ็นต ต่อจากนั้นจึงจะถึงแก่นที่สิบสามโคตรระพูยานแก่นนี้อยู่ในระหว่าโลคิยะทับโลกุตระเรียกว่าโคตรระพูครอบงําโคตรของปุถุชนเป็นปุถุชนมานานแล้วจะทิ้งโคตรของปุถุชนกำลังครอบอยู่แล้วจะขึ้นโคตรอริยะอจึงได้เรียกว่าโคตรระพูยาณครอบโคตรของปุถุชนไว้ทิ้งโคตรของปุถุชนนิดหนึ่งเลยเข้าโคตระาริยะนิดหนึ่งแต่ยังห่วงกันอยู่คล้ายๆยังกลางกันอยู่ อุปมาเหมือนโยมชงกาแฟถวายฝายพระช้อนชิมดูรู้รสกาแฟของโยมแล้วหรือชนลึดหงต้มแกงปลาแกงเฟตแจงไก่ถวายพระหรือแกงทานก็แล้วแต่โยมเอามาชิมดูช้อนหนึ่งช้อนชานิดนิดนั่นแหละนั่นแหละเท่ากับนั่นหละโคตรรูปย า, านธนูปมาในบาลีว่าเหมือนกับผู้ที่ไปเจตถวายสารพระเจ้าแผ่นดิน พบพระเจ้าแผ่นนินเห็นพระเจ้าแผ่นนินได้กําลังอยู่ในราตรรถหรือในบนหลังช้างแต่ยังไม่ได้ถวายสารเหมือนอย่างนั้นถ้าจะกําลังได้ถวายสารนั่นคือถึงนิพพานหรือถึงมีมุตถังแก่งตอนนี้ยังอยู่อยู่ในระหว่างที่เรียกว่าโคตรระพูยานในระหว่างโลกิยะกับโลกุตตะะแต่ว่ายึดนิพพานเป็นอารมณ์หนึ่งขณะตอนนี้แหละที่เรียกว่าโคตรระผูเหมือนกับขาของเรา ขาหนึ่งอยู่นอกบ้านขาหนึ่งอยู่ในบ้านจะบอกว่าอยู่ในบ้านก็ไม่ใช่อยู่นอกบ้านก็ไม่เชิงเขาบอกว่าเอ้าแม่อยู่ในบ้านอะอีกขาแม่ขาหนึ่งอยู่นอกเขาบอกแม่อยู่นอกบ้านอีกขาแม่หนึ่งอยู่ในบ้านเนี่ยเหมือนอย่างนั้นถ้าเป็นพระเนนอยู่ในโบสถ์อ้าขาหนึ่งอยู่ในโบสถ์ขาหนึ่งอยู่นอกโบสถ์จะมาอยู่ในโบสถ์ก็ไม่เชิงจะาอยู่นอกโบสถ์ก็ไม่ใช่ท่านจึงเรียกว่าโคตรระพูยานนี่ถึงแก่นแล้วจวนนี้จวนแก่นแท้แล้วนะเก้าสิบเก้าจุดเก้าแล้ว พอถึงยานที่สิบสี่มักขยานตรงนี้เรียกว่าแก่นแท้ในทีนี้ร้อยเปอร์เซ็นตแล้วกิเลสมันขาดตรงนี้โลภะโทสมหะตายไปตรงนี้จึงได้ชื่อว่าแก่นแท้ของภระศาสนาแท้หมายความไม่มีวันที่จะกลับมาอีกแล้วเพราะคํำว่าแท้นี่ยมันแปลว่าเนื้อแท้มันแปลว่าไม่เหลวไหลมันแปลว่าแข็งแกรง่งแปลว่าทนทานแปลว่ามั่นคงแปลว่าเทาวรเป็นหลักเป็นประธานไม่มีวันที่จะกลับมาอีกแล้วขาดเด็ดไปเลยจึงชื่อว่าแท้ จะมาให้เป็นใหม่ไปอีกไม่ได้แล้วขาดก็ขาดไปเลยแหละนี่คือแก่นแท้ของศาสนาในแก่มักขยานคือยานที่สิบสี่และมีนิพพานเป็นอารมณ์ต่อจากนั้นก็เป็นยานที่สิบห้าผลรยานมีนิพพานเป็นอารมณ์สองธนกิจหรือสามธิจต่อจากนั้นปัจเจเวขญานย้อนกลับไปพิจารณาจิตทีละทีเหลือนี้แหละวิมุตติรสศาสนามีวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นแก่น มีวิมุตต์คือของหลุดพ้นเป็นเป็นหัวใจของาศาสนานาิในปฏิสัมพันในพระสูตรสุดหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงถึงเรื่องเปลือกเรื่องกับพีและเรื่องแก่นพระองค์ก็ตัดอวิมุตต์นี่แหละเป็นแก่นของาศาสนาเมื่อเป็นอย่างนี้อธรรมเทตนากันนีิวัดเรื่องแก่นแท้ก็พอจะสรุปใจความได้แล้วถ้าจะว่าในแนวปฏิบัติปริยัติพระตไตรปิฎมีสี่สิบห้าเล่ม มีพัทธมขันญอยู่แปดหมื่นสี่พันพัทธมคัญเมื่อจะย่อให้สั้นๆก็ได้สา ม, ไ, มได้แก่ศีลสมาธิปัญญาย่อให้สั้นที่สุดมีหนึ่งได้แก่ความไม่ประมาทนี้เป็นแก่นแท้ในแนวปริยัติยังไม่ใช่ปฏิบัติส่วนแก่นแท้ในแนวปฏิบัติมีสามอย่างย่อก็ได้แก่ปัจจุบันรูปนามปัจรักมรรคนิพพานอย่างกลางก็ยี่สิที่เจ็ดอย่างพิสดารก็ยานสิบหกและเมื่อย่อที่สุดแก่นแท้มีหนึ่ง คือวิมุตต์ใส่เกิดพิสดานก่อนมีก้าโลกุตระทำก้ามรซีพผลสินิพันธ์อันนี้เรียกว่าแก่นแท้ของพระศาสนานะแต่จะเอาอยังเดียวกว่าวิมุตต์เอายังเดียวกับนิพันธ์อันเดียวกันนั่นแหละถึงวิมุตต์ก่อนิพันธ์นัน่นเลยวิมุตต์ก็ต้องมีนิพันธ์เป็นอรองเพราะฉะนั้นตอบนิพันธ์สุดท้ายเลยก็ถูกต้องในบาลีท่านกล่าวไว้ปรมัดภาษาลังนิพันอังจะนิพันธ์เป็นแก่นแท้ก็ถูกต้องไม่ผิด ทำให้ถึงนิมมติก็ถึงนิพพานไปได้ในวิมุติก็ต้องมีนิพพานจึงจะถึงวิมุติได้แต่สวดหมายปลายทางแท้ๆต้องการนิพพานเป็นยอดปราถนาทัณหาตุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเทศปุทธเทพกันนี้เทศเดียวต้องการยาที่บายทั้งแก่นแท้ของาศาสนาเพราะวันนั้นเทศที่ทำรา น, นาศกบรรทุธาตุในงานมหาเจอ ร, อริญกรเวลาน้อยไปเทศปุจจาวิจนาต้อไม่ค่อยได้เข้าแก่นแท้นะอ่าเป็น เวลาไม่คอยให้ก็เลยถือโอกาสมาบรรยายที่นี่ซะเลยเพื่อใญาติโยมได้ฟังแก่นแท้ของรศ า, าสนาเท่วดาธรตมาจะนํามาบรรยายได้เพื่อใญาติโยมได้คงรู้คงเข้าใจหลายแงย่หลาย ม, มุมยิ่งยกหลักฐานในปฏิปโตอัตกระถาและกะดีกาพร้อมตัางอัตฐาธิบายมาขยายความใหญ้ญาติโยมได้สดับรับฟังเป็นการประกอบขงฮู้ข้อนับว่าสมควรแต่การเวลาแล้วก็จะสรุปความอีกครั้งหนึ่งแก่นแท้ในที่นี้ ว่าถึงในหลักฐานหมายเอาสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบจะเห็นว่าให้ทานทำบุญนำทานมีพรสัทางหลายมีกรรมเลี้งของตัวทำดีดๆๆีทำชั่วิโชั่วโลกนี้โลกหน้านี้เพราะคณของพ่อของแม่มีธิวดามีผู้ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบมีอันนี้ก็เป็นแกงเหมือนกันแม้พระทิันเทศเข้ากันเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่การ สัมมาทิฏฐิสิพจน้ส่งเสริมให้คนตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิก็เชื่อว่าเป็นแก่นแท้ในส่วนเบื้องต้นเพราะคนเราจะได้แก่นแท้ก็ต้องมีความคิดความย็นที่ถูกต้องเรียกว่ามีความดำริเป็นโคจรดำริถูกจึงจะพบแก่นแท้ดำริผิดไม่พบเลยอันสาบิชนผู้ใจวุ่นวายอัตมาภาพในแสดงพระธรรมเทศนาะเรื่องแก่นแท้ของพระศาสนามาให้ท่านได้สดับครับฟังกันบบสมควรแก่การเวลาแล้ว ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณบสีรัตนไตรอติไสยบุญยเขตและบุญ ก, กุศลที่ตันสาตุชนได้บำเพ็นมาในระหว่างพรรษานี้ก็ข อ, ขอจองมาเป็นตบะเดชะปกป้องหักษาให้ญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกภัยเจริญหนุย่ยอาบยศอายุวรนนะสุขขปัญะปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิสมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในทานสิ้นภาวนา นำพาตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขกันไปบู์กล่าวคือมาพ้นนรกผานด้วยกันทุกท่านเทิน